เ ร, เรื่องี่นายรู้วาได้หรือเสีไปอะไรท่านเห็นอีกอันนั้นเสียไปไหมได้มาไหมท่านเขาใจว่าอันนั้นไม่มีการได้การเสียอะไรแต่จิตที่จะเห็นจิตอย่างนั้นที่จะเป็นอย่างนั้นต้องสัญญ า, าสาสางพิจารณาด้วยิตเดิดปัญญาของตนธรระ หยุดใจที่เหลือกันหาให้หมดออกไปยิ่งจะไปเห็นจะไปเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันจะหมดปัญหาไม่โลภอยากได้ไม่ว่าตั้งแต่ด้านรับถูกแม่พระนิชฌานก็ไหนต้องการไม่อยากได้เกิดได้พอมันพอแล้วเห็นแล้วนิพพานคืออะไรคือถูกรู้คือเห็น น, นัเนแหละเป็นนิพพานถ้าอยากอยู่ตก็คือยังไม่รู้ยังไม่เห็น ท่านจึงไม่หาท่านจึงไม่ยากเพราะอิ่นแล้วเห็นแล้วในการจะ ท, ำำทําบําเพ็ญของตนนีการจะ ท, ำำทําบําเพ็ญในทางศาสนาถือเรามีหน้าที่ทําได้เพราะจิตกางต่างๆนานาของชาติของเมนของนักบวชไม่มีอะไรที่จะยุ่งเหิงขัดข้องที่อยู่ที่อาศัยก็อยู่แต่ละคนไม่มีใครที่จะมาสวดจาราชี ให้หมวกหูโอกาสเวลาที่เราจะทําก็มีเต็มที่เต็มฐานไม่มีอะไรทุกข์พาดเหยียบข้อนอกจากเราจะไม่ทําเราจะไม่ําเพินเท่านั้นนักเบื่อจึงเป็นผู้ที่มีโอกาสดีที่จ ะ, จะำาำระจิตของตนให้สะอาดให้ผ่องใสให้บริสุทธิ์ถ้าไปสนใจการงานด้านนอกอย่างนั้นอย่างนี้ คนนั้นได้ชื่อว่าลืียนตนเป็นโมฆะ ห, หาสาระทางในเนี่ยได้พยายามสอนใจขังตนพยายามควรฉี่เฉลี่ยทำจิตทำใจทั้งตนต ใ, งตให้บริสุทธิ์ความคิดนึกทุกคนเคยมีมาแต่ไหนแต่ไรคิดนึกของจิตในสิ่งต่างๆเพราะเราเกิดมา ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้พิจามาเรื่องธรรมะไม่ได้ฝึกรวมตัวขวงตัวเกิดมาดีดามันดาหรืออย่าตาเถื่อถ้าเถื่อขวัญสูงก็ชวนคุยไปอย่างนั้นอย่างนี้เขาว่าดีไปดีตามเขาเขาว่าไม่ดีก็ไม่ดีตามเขาเราไม่ได้ี่สูดที่เจารณาผ่านจีนข้องมันหยุดใจว่าพเราทันจึงไปยึดข้อง ติดคิดคุต่างๆคือเวทมนต์ยื่นเข้ามาที่ใจนาครในยิ่งเป็นนักบวชก็ยิ่งมีโอกาสเวลาที่จะพิจารณาได้เพราะก า, ารงานด้านนอกไมมีฉันแล้วก็เดินเป็นมภาวน า, า, าทลอายจิต ใ, ใจทองตนจิตคิดคิดไข่ใหญดีในเรื่องของโลกจิดขวางใน ยิ่หตปัญหาราคาต่างๆก่อพิจารณาเดินเข้ามาภายในอะไรมันมันติก ม, มันข่องมันยินดีสิ่งที่เราเห็นเรากนหนัดเรายดึดถือว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้โดยส่วนใหญ่เพศหญิงก็อชอบใจติดใจข่องใจในเพศชายเพศชายก็เหมือนกันติดข่องในเพศหญิง เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีธรรมะภายในใจจึงไปข่องจิตคิดซึ่ถ้ามีธรรมะภายในพิจารณาตามธรรมะจริงจังธากขันธ์อันเดียวกันยิงก่อตามชายก่อตามไม่มีอะไรผิดแปกแตกต่างกันผมขนและฟันหนังเนื้อ เ, เอ็นกระดูกอันเดียวกันและสิ่งเหล่านั้นถ้าหาก แยกแยะแะออกเป็นส่วนๆมีอะไรสวยงามน่าดูเหลืองลมเท่านั้นพอขาดลมจากตัวตัวถึงแบบผีรัวกันถ้าใท้ายถชอบถึงรอยู่ก่อนเป็นอย่างนั้นนี่คือจิตหลงจิตเหมารู้ตามเปนจริงถ้าจิตพิมพิจแนาตัวของตัวให้แยบคลายรายยิ้มอยู่ไหนชายอยู่ไหน อะไรเป็นของดีพิเศษในมื่อในตัวของนของนขนตัวดีขนตัวดีเล็บ ก, ก็ดีฟันก็นดีหนังมือเอ็นกระดูกตัดีไม่มีอะไรมีคุณค่าราคาซื้อสัต์ไม่ได้ตายแล้วจะไปขายที่ไหนไม่มีใครซื้อเบื่อนายกันไม่ชอบสัตว์ตายยังเอาไปขายได้หนังไปทํารองเท้ากระเป๋ายังได้ หนังควนก็เอาไปทำอะไรกันเนือควมใครเอาไปทำเนือกกระป๋องไปทำอยากทำกินกันมีไหมไม่เคยมีแล้วไปเหลงทำไหมอะไรเป็นเมืองหลงเป็นผู้หลงจะต้องสอบสูตที่นิดพี่เจนาจิตเท่านั้นมันไปสำคัญมั่น ห, หมายไปหลงไปเหลงความจริงกายมันไม่ทราบอะไรถ้าหากในจิตก็เหมือนถอนไม้ถอนฟืน จะไปฟังไปเขาอยู่ไหนก็ได้อย่างสะดวกสบา้างไม่เคยโกรธเคยหลงคุก่กรธคุกหลงตู่ตัวตู้กล้าก็คือจิตจิตนี้เมื่อเราไม่เห็นเพียงแต่จิริยาของมันมันโงงได้ถ้าไปเห็นตามเป็นจริงลายจิตอันนี้มันไปยึดไปถือไปสำคัญหมั่นหมาย มันก็จะมีทางสชำระสาสาง ม, มันได้เพราะความเห็นตามเป็นจริงสิ่งภายนอกเป็นอย่างไรภายในจิตไปหลงเป็นอย่างไรมีทางที่จะแก้ไขปรับปรุ ง, งให้สงบให้พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเปรื่องสําคัญที่พวกเราท่านควรศึกษาคิดพิจารณาสอนตอนพอเราบวชมา เป็นพระเป็นเนนความมุ่งมึ่งสุกฝนจิตใจท่องตนให้ดีีิเศษให้สงบเย็นถ้าพระเนนไม่สงบเย็นไม่มีศีลมีธรรมก็ไม่ทราบว่าใครในโลกเขาจะสงบเย็นได้เหตของเราเป็นเหตุไปเสดไปสถานที่ใดใครเขาเลื่อมใสเขานับถือเหตุที่เขาจะนับถือเขาจะเลื่อมใสเพราะเหตุว่า เพศของพระของเงินเป็นเพศประเสริฐเป็นเพศที่มีศีลมีธรมธรมในตัวเพียงแอาผ้าเรืองเหลืองผีตาเลนโล้นแต่เมตตั้งบวรระวังรักษาศีลข้งองตบนัดทำของตนแล้วประพฤติเจะกะลาลัางนงอกวูงอกทางไปเขาจะเบ่งหมุนมุ น, มนทาขนาดไหนถ้าไม่ดีเงินไม่ดี ใน่มีศีลม่ทำใครจะเหลื่อมใสตัวของเราเองตัวตนิตัวของเรากว่าเราเป็นพระเป็นเนรแต่เทิดจิตใจยังเป็นเปรตเป็นผียังรับยังขโมยนั่นนี้ไม่มดดีดีดีอะไรเราเตัวต น, นิตัวของเราคนอื่นเขาโตัวตนิได้ถ้าเราพิจารณาตัวของเราศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ภายในตัวของเราเราแยกเราแยน ในนี้อะไรจะมาลบเวนจิตใจให้เสียหายว่าวุ่นสงบเยียวยาสนิทจริงตามคำคําสอนของพระพุทธเจ้าคนอื่นที่เขาตัณหิจิตชมต่างๆจะเลี้ยมปากของเขาเขาจะพูดขนานไหนจิตใจไม่เคยเอียงเอียงไปตามเรื่องเรื่องปากเขาเชมว่าดีทำไม วันไหวไม่ฟูขึ้นไม่เต้นเต้นเขาตทำหนุได้ชั่วตกคงเส้คนคงวาไม่มีอะไรจะเสียหายไปนี่คือจิตใจเข้าถึงความจริงมีความสุขความสบายอย่างนั้นพวกเราท่านคือบ้าวุ่นทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นจิตใจคอยตืน่นสัญญาอารมณ์ต่างๆนาน า, นาเห็นอะไรก็ที่็นที่การเต็หมด เพราะิิตของตนที่คนที่การจะ ท, ทําจิตของตนให้หายที่คนที่การต่อเ ด, ดือดสติเดือดปัญญาเดือดศรัทธาความเพียรพิวที์พิจนาในธรรมะของพระพุทธเจ้ า, จาให้เข้าถึงความจริงในสิ่งนั้นนั้นใจที่เคยยึดค้องเต่ามองติดพันในสิ่งต่างๆจะถอดถอน เมื่ดปัญหาจิตใจจะสว่างไสวจิตใจจะราเริงบันเทิงจิตใจจะสงบเย็นตัวของตัวเองก่อเห็นอนิสงฆ์ในการสละสารคนอื่นเห็นก่อเย็นตาเย็นใจผู้มีธรรมเป็นอย่างนั้นถึงจะอยู่ไกลแสนไกลเป็นทุกข์ภายในใจเข้าไปหาก่บรรเทาทุกข์ไปได้พอเห็นทขัน สะดวกสบายหน้ายิ่งแย้ม แ, มแมจ่มใสจิตใจล่าเลยจิงควมฝึกเรื่องจิตใจไม่ไม่ค ว, ม, ม, คว ม, มองข้ามเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝึกได้ต่างหน้าต่างตารักษาสัวปฏิบัติอย่าเป็นแต่ว่าเป็นนักบวชเป็นนักปฏิบัติแต่ไม่เคยตรวจตาที่จเจนนะ กายใจทังตนว่าถูกต้องตามคําสอนของพุทธเจ้าหรือไม่นี่จะทรงจิตทรงใจอยากจะทําอันนั้นอยากจะทําอันนี้อยากจะไปที่โน้นอยากจะไปที่นี้ในที่เจรณาภายในสอนใจทังตนให้สงบให้สบายความสุขความสบายถ้าจิตใจสุขใจสบายธารมะสุขสตไปสถานที่ใดมีสุข ตลอดไปจะอยู่ปลอสุกจะไปต่อสุกจะนั่งตลอดสุกจะนอนตลอดสุกเดินเหินต่อดสุกเป็นอยู่ต่อดสุกตายไปต่อสุกนี่คือคือมีสุขภายในมีจิตใจเป็นธรรมถ่ายใจในสุขเชิญเถิดจะไปที่ไหนได้อะไรไม่มีความสุขไม่มีความสบายให้พอใจในสุขใจในสบายใจจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่พวกเราท่านควรศึกษาควรพิจารณาควรชำระให้ใจของตนสะอาดให้ใจของตนสงบให้ใจของตนผล ต, ตามเป็นจริงเพื่อที่ศึกษาพิจารณาภ า, า, ายในใจสงบระงะับใจเยือกเย็นใจเต็มสุขจะอดยาจ ะ, ะาเช้นหรืออยู่สถานที่ใดเป็นสุขทางนั้น ไม่ว่าโลกนี้หรือโลกนั้นมันเหมือนกันเป็นโลกกายวิถียู่แจ้งไปหมดอดีตเป็ีนมาเท่าไรอนาคตจะเปลนไปเท่าไรถ้าเหมือนกันกันกบปัจจุบันไม่มีอะไรที่จะผิดแปกแตก ต, ต่างกันนี่คือผูอที่เขาถึงทำไม่มีการเปลนเต้ น, นไม่มีการบั่นไหวไม่มีการเอีย ง, ยงไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆ ท่านจึงมีความสุขความสบายตลอดเวลาธรรมะเป็นของจําเป็นอย่างนี้พวกเราท่านจึงควรศึกษาควรลง ม, มือประพฤติปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่าไปถือว่าธรรมะหมดการหมดเวลาธรรมะเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าหรืออริยาสาวกไม่ใช่หน้าที่ของเรา กูใจจ้าเลยเจ็บปวา ด, อดเอามักผลนี้จากโลกธรรมะเป็นของทุกคนจิตจำเป็นจะพูดพูดปฏิบัติเมือ่อผู้ปดพูดปฏิบัติอาจทำเข้าถึงธรรมะก็เลยหายจากความสงสัยว่บามักผลมีหรือไม่จะไปสงสัยอะไรเพราะตนเห็นตนเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนในตัวของตัวแต่เรื่องเหล่านี้คือคุณมี้ธรรมะ ภายในใจไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติทางใจก็สงสัยเหลื่อใจเพราะเหตุใดก็ต้ะตนไม่เจนไม่เห็นมีตาเ็นมองไม่เห็นมีหูบอกฟังไม่ออกเรื่องของธรรมะถ้าพิทธเจานะแต่ไม่ปฏิบัติภายในตนมันเห็นมันตป็นแล้วจะสงสัยอะไรพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์อย่างไรท่านก็ทราบความบริสุทธของท่านเพราะพระพุทธเจ้าหรือสาวกทุกองค์ เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์มันเหมือนกันหมดรถของธรรมะจะผ่านมากี่ผ่านขี่หมุนปีมันกลมเหมือนเดิมไม่มีอะไรผิดแปลแตกต่างกันตอนที่ยังไม่ติตไมื่เป็นธรรมะเป็นอย่างไรก็ทราบธรรมะยังยังคงเส้นคงวาไม่มีอะไรที่จะเสียหายไปตามการผ่านไปควรศึกษาควรปฏิบัติ ให้เป <c ười> ็นให้เห็นในตนจนที่รู้ที่เห็นธรรมะคนนั้นแหละเป็นผู้เปิดเผยควรกราบควรไหว้ควรสักการะบูชาทั้งตัวของท่านเองก็ไม่มีทางตาหนิดว่าเราเกิดมาเป็นโมฆะเราเกิดมาหน้าที่ของเราควรที่จะนะควรจปฏิบัติอย่างไรเราเปิดได้ปฏิบัติไปเป็นตามความสามารถของตน มันเห็นผลปรจากแล้วใครจะมาว่าอะไรมันจะไม่มีการบั่นใบร์ไมมีการเสีหายมีเพือจิตต่างหน้าต่างๆาปฏิบัติอาชธรรมของพระพุทธเจ้าเลยกลายเป็นชักคือประเสริฐะเสิฐจริงจริจรังจัน ม, มีอะไรที่จะประเสิฐเข้าจิตใจของเราทุกต้นประจากโลกจากสงสาร ดางนั้นขอทุกท่านจงหมั่นที่นิเทศนานำธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนมาอบรมจิตใจของตนฝึกฝนให้เห็นให้เป็นขึ้นไม่มีอะไรสงสัยในบุญวาสนาของตนการปฏิบัติธรรมะอย่าไปคิดว่าเราอาพอาบาสนาเรามี อำนาจราษฎรเราจึงได้เกิดมาเป็นม น, นุษย์สัตวอื่นนับหมื่นนับแสนไม่ได้คือเขาไมนมีโอกาสเวลาไม่มีราษฎาที่จะมาปรพฤติปฏิบัติยังจะกินไป่ขี้จะอยู่แต่อาศัยไม่มีอาจมีธรรมในใจมันนับไม่ได้เรามาบวชเป็นพระเป็นเมรจะเป็นอย่างนั้นหรือ ฤทธิสิของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปฏิบัติมาอย่างไรทุก่อยากลำบากขนาดไหนถ้าจึะเป็นผู้ดีผี้เสดได้เราจะอยู่ๆมาเลยพิจารณาโดยภายในอะไรจะให้มรรคผลเกิดขึ้นมันเติมไปเนยได้แต่เรามือแต่เพื่อปฏิบัติความเพียรนั่นแหละเป็นสิ่งที่แผลเขาที่เลให้เราร้อนให้หมดไปถ้าไม่มีความเพียร ไม่ที่ไม่พิจารณาอะไรจะให้มรรคผลเกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้แต่มันง่ายมันสบายอย่างนั้นสารโล่มันก็ไม่มีไปรวิภานจะหมกสองตนอย่างนั้นเราทําขนาดนี้ยังไม่เป็นไม่เห็นแต่ยังไม่ถึงขั้นมันจะเต็นจะเห็นมันยังไม่พอมันจึงไม่เป็นไม่เห็นทุท่มเททาลงไปให้มากพิจารณาเราไปให้มาก เม่เราทำไม่หยุดไม่ถอยมันจะไม่เป็นไม่เห็นตอนไหนมันตายไปคนผีดเขาตายไปโดยการทำเชื่อทําเสียนับไม่ได้เราตายโดยการทําความเพียรพิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าตอนไหนมันตายไปเถอะในทำอะไรมันก็จะตายอยู่แล้วถึงวันถึงเวลาของมันจะไปเตือทําไมสอนตนของตนอย่างนั้น ใจจะอดหารในการทำความผากความเทียนสติจะกลาปัญญาจากคมฝ่าฟันบั่นพรที่เหลืตันหาถ้าไปเชื่ อ, เ, อเรื่องอารมณ์ปัญญาที่เหลือตัญหาของตัวไม่ไดกพิจารณาธรรมะแล้วมันไม่มีมักไม่มีผลอะไรไม่ดีพิเศษอะไรคนที่เชื่ออย่างนั้น เสียหายไปเท่าไรตัวของเราถิดเชื่ออย่างนั้นได้ดีได้ดีมาอย่างไรในเว้นได้ดีได้ดีอะไรเราจะเป็นเชื่อธรรมะของพธธระพุทธเจ้าจะทำตามประวาติของท่านรักษาสติรักษาจิตรักษาใจของตนพิจใจนาลงไปอย่าให้มันซ่งซึ้ง มันกจะสงบเมื่อจิตสงบก็เย็นก็สุขก็สบายนี่อานสงส์เห็นไปจากชัดเกนเมื่อท่าตายแล้วท่าจะดาทคุณจะเห็นความเห็นความเป็นของพระเจ้าหรือพระหรือเจ้าไม่ใช่ท่านตายอ่ะนะท่ก็จไปนิพพานท่งเก็จะไปสวรรค์สโมโลกท่านเห็นอยู่ในวาระจิตของท่านเอง จิตอยู่ในขั้นไหนเป็นอย่างไรสงบสุขปูนแบบไหนท่านใครคิดพิจารณาอยู่นั้นแก้ไขอยู่นั้นสิ่งใดที่เป็นภครอันตรายต่อใจท่านขับไล่ออกหนีสิ่งใดที่เป็นคนเป็นประโยชน์ทําจิตให้หายจากโทษให้สงบสุขทา่านพยายามรักษาพิจารณาอยู่นั้นผลที่สุดจิตของท่านเมื่อยพยายามชำระ ทีเรียนนะโดยสติปัญญาอยู่สม่ำเสมอพอเกิดดีมุดซึ่งไม่ใช่จิดสงบไม่ใช่จิตรวมๆอย่างเคยเป็นสมาธิสมาบัติมากาา่อนแต่ยังทราบดีว่าจิตชนุดนี้ไม่มีการที่จะแก้ไขไม่มีการที่จะดีต่อไปไม่มีการที่จะเสียหายหมด้ากระตงระรงังกรณียาง มันมีจิตอื่นที่จะเสมอเหมือนยึดที่ควรทำแต่ทําเสร็จแล้วไม่มีอะไรอยู่ใปหมืน่นปีแสนปีจะได้ดีขึ้นอีกไม่มีจะให้สหําราอะไรอีกไม่มีท่านจึงเรียกว่าหมดจิตในทางศาสนาเพื่อจิตของท่านเต็มวุฒิถึงที่สุดด้วยการอวยมบ่มนิสัยด้วยการข่าเพียนทางกายทางใจ หนูภูษยเจ้าหรืออริยเจ้าท่านทํามาอย่างนั้นส่วนเราท่านถ้าหาปฏิบัติอย่างท่านก็ไม่มีอะไรที่จะแตกแตกต่างกันแต่เหมือนกันหมดขพราะข่าเพียนภริยาที่นิพพณานเรื่อยไปส่วนมรรคผลนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไรเป็นเรื่องของมรรคของผลมันจะเกิดขึ้นขวามสำคัญอย่าไป เวลาให้เป็นหมันพยายามรักษาที่จใจนาภายในอยู่ด้วยไปสมาธิอ ย, ยอยู่ด้วยไปขาดอยู่ด้วยไปความใสความสะอาดจะเกิดขึ้นแต่เพียงแต่นบนอยากให้มันสะอาดจะไม่ตัดก่อนสักทีหาเลยของอปโปรกมาเล่นมาขึ้นใส่มันจะสะอาดได้เออรือไรจิตใจก็เหมือนกันขันจี่ไปคปฏิบัติ จะต้องามลาสาสางที่ใจนาใจต้องทันอยู่สม่ำเสมอที่เม่เคยื่งสงบกู่เห็นตวามสงบจิตใจที่มืด บ, บอดขู่เปิดความสว่างสวัยปะจากในจิตในใจของตน็นไปทุกระยะทุกระยะในการจะพิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นของจริงอยู่อย่างนั้นใครจะมาคัดค้านขนาดไหนว่าธรรมะไม่มีมรรคผลไม่มีนั่น เ, เป็นไปตามลมปากของเขาเพราะธรรมะเป็นของจริงผูนน้ปฏิบัติจะต้องเห็นจริงภายในตจอยู่สม่มเสมอไปฉะนั้นพวกเราท่านที่เป็นนักบวชจึงควร ประพฤติปฏิบัติให้สมกับเชื่อเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเ น, นรเป็นผู้ระเสดตจเป็นผู้สงกกายก็สงบบาจะาใจสงบสงบ จ, จากโลกจากโปรดจากหลงจากคิดคิดมานะราคะตัณหาต่างๆหากจิตยังไม่เข้าถึงขั้นนั้นยังไม่เป็นอย่างนั้นก็ถือว่า เรายังไม่เป็นพระเป็นเมธจับจับตึงแกะไขผักเพียนพยายามเข้าไปเจริญเห็นมาจากในใจทั้งตนเนี่คนใดทําได้คนใดเป็นอย่างนั้นแต่ไมีปัญหาอะไรที่จะสงญสายความปลุกความสบายในใจเราจเห็นมาจากในตนคนเขาหลวงเถอโลกเราไม่เลยโดยหลวงตามเขา เราฝึกเราจะมายอย่างไรใครไปเห็นหรือไม่เรา เ, เป็นเรื่องไปเกี่ยวข้องวันไหวเพราะเราเป็นเราเหวนอย่างไรเราไปจากในเราเขาจะให้คะแนนหรือไม่ให้แต่เป็นเรื่องของเขาเราเป็นอย่างไรแล้วทร า, า, าบดีที่ทำ ม, มาเป็นแต่เจตังอย่างนี้จึควรทำควรบำเพ็ญคนรที่ กาทำบาเพ็นั่นแหละจะเป็นคนในเปียบคนที่ไม่ได้ทำไม่ได้บำเพ็การปฏิบัติปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าหนึถือว่าคนแจกจึงจะปฏิบัติได้คนนุ่มไม่มีทางจะปฏิบัติได้ถ้าหนึถืออย่างนั้นพระอรหันต์อาหันสมัยก่อนอายเุเจ็ขวบคนนี้ทเท่าแกกงกงั้นก็เป็นพระอร ห, หันตอรหันต์ได้เพราะจิตใจในนี้ คนหนมคนแก่มันเสมอกันเข่าใจขนานไหนจิตใจจิตแคลลบเคหลงมันแคลลบแคลลงอยู่อย่างนั้นเด็กเล็กเด็กแดงมันแคลลบแคลลงเหมือนกันทางสัตวจึงมีอยู่ทุกระยะทุกเวลาขอให้พิจารณานำปัจจัยคือธรรมะของพระพุทธเจ้ามาฟังดกจิตใจของเราว่ามันเสียมันหายมันดีมันชั่วอย่างไรทําไมมีใส่ขอสอนมันเหนด่อมันบอ่ มันก็ไม่ทราบว่าจะไปเิดดียดใดทางใดอะไรเป็นของดีของเสียหยิดไม่ถูกถ้ามีไฟส่องมันก็มองเห็นอันนี้เป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนี้เข้าใจดีอยากหยุดอะไรก็หยุดถูกธรรมะเป็นประกิบอย่างนั้นจึงควรพวกเราท่านจะนำมาส่องดูกายใจทั้งตนสิึงใดที่เป็น เป็นไครนําคุดมาให้จ้องหลีดเลียงละเว้นสิ่งนั้นอย่าไปทําไปพูดไปคิดสิ่งใดที่นําความสุขความสบายมาให้ทําความหยือกเย็นสงบมาให้รักษากระทําบําเพ็ญสิ่งนั้นพวกเราจ ะ, จะมีความสุขความเจริญในธรรมะคาสอนของพระไตรปิฎกการอธิบายธรรมะ เห็นว่าพอสมควรเจตเวลาหัยุติเ e ยๆนี้